พุทธสตรีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะรายการสันสนีสนทนานะคะก็มาถึงเดือนเกือบสุดท้ายของปีแล้วนะคะเวลาผ่านไปเร็วจริงๆเลยเวลาผ่านไปผ่านไปบัดนี้เราทําอะไรอยู่ต้อถามตัวเองนะคะรายการของเราพยายามทําให้ทุกเวลานาทีของท่านเนี่ยคุ้มค่ามากที่สุดแล้วเราก็เลือกทําในสิ่งที่สื่อเขาไม่ได้ทำกันมากนะัก นะคะนั่นก็คือการให้เรามาเรียนรู้ถึงคาสั่งสอนของพระศ า, าสดานิดที่ค่อนข้างจะลึกซึ้งเพราะว่าเข้าสู่การปฏิบัติ ด, ด้วยแถมยังมีการเชิญชวนให้ปฏิบัติไปพร้อมๆกันในตอนต้นของรายการเลยด้วยนะคะเพราะว่าเรามีพระอาจารย์ที่ท่านก็คุ้นเคยกับการฝึกปฏิบัติผู้ที่ไปเข้ารับการอบรมอยู่ที่วัดของท่านนั่นก็คือพระมหาภพบุญอภิปุณโญ จังหวัดป่าดอนหายโศกดรธานีในฐานะของการที่ท่านเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรการเลีกเงเร้นวัดป่าดอนหายโศจังหวัดดอนนั้นนะคะดังนั้นเมื่อมาพบ ก, กันแล้วก็พยายามใช้ทุกประนาทีให้มีค่าดิฉันกำลยงจะบอกให้ท่านตั้งหลักให้ดีนะคะเพราะว่าเมื่อได้พบพระอาจารย์ทันใดท่านก็จะนําพวกเราเข้าสู่การปฏิบัติธรรมทันทีก่อนที่จะให้ศึกษาข้อธรรมจากคําถามต่างๆที่จะกลับเรียน สนทนาท่านต่อไปค่ะเราไปน้ัสการท่านนะคะพระมหาภัยบุญอภิปุโนค่ะกราบน้ำมศการค่ะจเจ้าบ้านเวลาที่เรามาพบกันนั้นก็เริ่มการปฏิบัติธรรมกันเลยแต่โดยให้เราตั้งสติเอาไว้เรื่องของสตินั้นเป็นธรรมหมวดแรกที่พระพุทธเจ้าคิดถึงระลึกถึงเบกีบาเอจะไปสอนหมู่สัตว์โลกนี้ยังไงดีก็คิดถึงเรื่องสตินี่แหละเป็นเรื่องที่ เราตั้งขึ้นมาก่อนเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะฟังธรรมปฏิบัติธรรมนั่ก็เริ่มจากการตั้งสติเครื่องมือที่พระพุทธเจ้าให้เอาไว้วมีอยู่หลายอย่างด้วยกันเราเรียกกันว่าอนุสติ10บอย่างการที่จะทําให้สติเกิดขึ้นได้เหมือนที่เราระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็ได้ระลึกถึงพระธรรมระลึกถึงพระสงฆ์ระลึกถึงศีลระลึกถึงการให้การบริจาคแต่พวกนี้ก็จะไล่ไปเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติ สังกานุสติศีลานุสติจากการนุสติเป็นต้นและในที่นี้เราจะใช้สิ่งที่เรียกว่าอาณาปานสติคือใช้ลมหายใจของเราและลมหายใจของเราที่ผ่านเข้าผ่านออกอยู่เป็นธรรมชาติธรรมดานี้แต่เรามาระลึกถึงคิดถึงคำวมาสตินั้นคือการระลึกได้แทนที่เราจะให้จิตของเรามันไหลไปตามสิ่งอื่นๆเรื่องอื่นๆเสียงบ้างความคิดบ้างอะไรบ้าง ก็คถ้ามันไปทางนั้นแล้วมันอาจจะเผลอเปลินเกลือกกลัวไปอย่างน้อยให้มีที่ตั้งที่เกาะแต่เวลาที่เราจะมาเกาะมาตั้งจิตไว้สักที่ใดที่หนึ่งเนี่ยอันนี้คือลักษณะของสติตั้งขึ้นละบางทีมันอาจจะมีแง่งหนึ่งที่หูไปได้ยินเสียงนั้นความรู้สึกต่างกๆไปรับรู้อันนี้แต่ขอให้อย่างน้อยมีสักแง่งหนึ่งมีสักความรู้สึกหนึ่งที่เรามาระลึกรู้ถึงลมหายใจของเรา ลมหายใจของเรานี้มันผ่านเข้าผ่านออกมันไหลอยู่ตลอดเวลาเอาตรงไหนก็แน่ที่เรียกว่าเป็นลมเนี่ยเอาตรงที่เป็นทางเข้าทางออกของลมหายใจเเรารับรู้ถึงสัมผัสของลมได้ที่ตำแหน่งไหนเอาจิตของเราตั้งไว้นะที่ตำแหน่งนั้นไม่ต้องกังวลว่าถ้ามันมีความคิดนึกมันมีความรู้สึกทางกายได้ยินเสียงนั่นนี่บ้างอันนี้มันธรรมดาเพราะว่าจิตของเราเนี่ยมันมีหน้าที่ไป ในการรับรู้รับรู้โน่นนี่นั่นก็ธรรมดาแต่ว่าอย่าให้ลืมหลงลมหายใจตราบใดก็ตามที่เราได้ยินเสียงบ้างรับรู้ความรู้สึกทางกายบ้างมีความคิดบ้างแต่ถ้าเราไม่ลืมหลงลมหายใจนะอันนี้คือเรายังมีส ต, ติอยู่แต่ส ต, ตินี้ก็จะค่อยพัฒนาให้มีกําลังมากขึ้นจิตของเรานั้นตั้งเอาไว้ระลึกถึงสิ่งใดๆมากจิตมันก็จะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้น ถ้าจิตของเรามานึกถึงลมหายใจอยู่เรื่อยๆสิ่งที่จะมากับลมหายใจนั่นก็คือสติจิตของเรามันจะน้อมมาในทางนี้เจตี่มีสติเป็นที่เล่นไปสู่นี้จะสามารถทําให้มีความพ้นมันจะค่อยๆพ้นจากเสียงที่จะมาคอยกวนพ้นจากความคิดนึกที่มันจะมาคอยทําให้เราฟุ้งซ่านพ้นจากความรู้สึกทางกายที่มันจะทําให้เรามาเจ็บมาปวดตรงนั้นตรงนี้ มันจะค่อยๆพ้นในะลักษณะความพ้นแบบนี้คือความจางกลายความจางกลายไปความค่อยๆดับไปค่อยๆลดไปอันนี้เป็นผลของการปฏิบัติที่จะค่อยๆพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นจากการที่เรามีสติไม่ลืมหลงทําอยู่เป็นประจำทั้งในเวลาเช้าเวลาเย็นทั้งในระหว่างการเดินทางรอลิฟต์หรืออยู่คนเดียวอะไรเราจะลืมตาหลับตาเราสามารถที่จะฝึก ให้มีการเป็นไปในลักษณะนี้สิต ท, ที่มีความพ้นนี่แหละวิมุตต์เนี่ยแปลว่าพ้นมีลักษณะที่เราพ้นจากอารมณ์ความรู้สึกต่างๆแล้วความพ้นนี้จะทําให้นิพพานเกิดขึ้นได้พระพุทธเจ้าบอกว่าจิตเนี่ยมีสติเป็นที่เล่นไปสู่สติเนี่ยจะพาจิตนั้นเล่นไปสู่วิมุตต์วิมุตต์ก็จะพาจิตนั้นไปสู่นิพพานและนิพพานนี้จะเป็นที่สุดจบของการปฏิบัติของเราจะมีความเย็นนิพพานเนี่ยแปลว่าเย็น แม้แต่ว่าในขณะที่ถ้าเรายังไม่ได้บรรลุถึงที่สุดแห่งนิพพานล่ะเอาแค่ว่าเรามาระลึกรู้ลงใาใจของเราอยู่ตอนนี้เรารู้สึกเย็นอยู่ในใจแต่บางครั้งบางคราวมันก็จะเกิดขึ้นเราทำให้มีความสม่ําเสมออย่างตอนเนื่องแล้ว น, นิพพานนี้ก็จะค่อยๆปรากฏปัญหาในใจก็จะลดลงไปความสงบความเย็นก็จะค่อยๆมีมากขึ้นนั่นเองเจรนิพพานสาธุค่ะฟังเรื่องสติแล้ว ท่านจะพูดถึงสติอันนี้เป็นสติทางธรรมถูกไหมคะาาการปฏิบัติ ด, ด้วยอจะในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ไม่ได้หมายความว่าสตินี้จะใช้ไปในทางที่จะออกจากโลกแต่สติที่หมายความหมายรวมทั้งหมดถูกไหมคะถูกต้องทั้งในการดํารงชีวิตในโลกด้วยเพราะที่ทีฉันสะกิดใจประเด็นนี้เนื่องจากว่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา บางเอิญมีเวลาที่จะสนใจข้อมูลข่าวสารเยอะเพราะว่าไปเฝ้าไข้ที่โรงพยาบาลเนี่ย น, นะคะก็ได้รู้ว่ามันมีเรื่องราวฉูดชาดเกินหน้าหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออื่นๆเนี่ยทำให้เราต้องมานึกถึงเรื่องของเอ๊ะทำไมจึงเกิดเหตุนี้ขึ้นได้ทั้งๆ ท, ท, ที่เราเป็นสังคมชาวพุทธซึ่งให้ความสาคัญกับเรื่องของสติมากแต่มักจะเป็น เหตุการณ์ที่เกิดจะอารมณ์ชั่ววูบนะคะเช่นอ่ามีผู้ชายคนหนึ่งเห็นแฟนเก่าของตัวเองที่เลิกดากันไปแล้วซ้อนมอเตอร์ไซค์ผู้ชายคนอื่นมาอืขับรถชนสไตล์เลยอือยังไม่รวมเรื่องอื่นๆอีกมากมายก็ทําให้แม้กระทั่งตัวเองนะคะเราขับรถเนี้ยก็รู้อยู่แล้วเส้นทางข้างหน้าเขากำลังมีการก่อสร้างเขาก็ประกาศโฆษณากันโครมโครมว่าจะมีการก่อสร้างควรจะผ่าน ไปทางอื่นควรจะเปลี่ยนเส้นทางก็ยังไม่ไวายไม่มีสติตอนขับรถเลี้ยวไปในเส้นทางที่ไม่ควรไป อ, อืคำว่าคําว่าสติในที่นี้เนี่ยที่หมายถึงมันก็จะมีอยู่สองส่วนนะคือสติที่เป็นสัมมาสติกับสติที่เป็นทั่วๆไปเอาคาแร ก, ก่อนส่วนที่เป็นสัมมาสติที่คุณโยมติ๋วพูดเมื่อสกรุนเนี้ว่าให้ไปพ้นจากโลกเนี่ยจริงๆศัพท์ที่ควรใชนะ้คือเหนือโลก บาบพระเจ้าใช้คําว่าโล ก, กุตระแต่คําว่าเหนือโลกเนี่ยคือเหนือจากการควบคุมของโลกเหนือจากการควบคุมของตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ไม่ใช่ว่าเป็นคนหลุดโลกนะหรือไม่ใช่ว่าเป็นคนคทิ้งโลกไม่ใช่อางนั้นอันนี้คือคนละความหมายแต่คําว่าโล ก, กุตระที่เราจะพ้นคือวิมุตต์เนี่ยคือพ้นจากการควบคุมของสิ่งที่เป็นทางโลกโลกสุขบ้างทุกบ้างเนี่ยมันจะมาควบคุมใจิตใจเราไม่ได้อันนี้คือในประเด็นแรกก่อน จะตามถึงจุดนั้นได้เหนือจากการควบคุมของมันได้อันนี้เราต้องมีสติในสตินี้คือสัมมาสตินะไม่ใช่เรื่องหลุดโลกไม่ใช่แต่อยู่ในโลกนั่นแหละแต่ว่าเหนือจากการควบคุมของโลกอันนี้คือประเด็นที่1ทีนี้ในเรื่องของการหลงลืมหรือว่าการเจริญสติเนี่ยมันมีหลายมิติหคําว่าหลายมิติเนี่ยหมายความว่าในขณะที่เฮ้เราคิดว่าเราจะขับรถไปทางอื่นะ แต่ว่าแหม่มันลืมไป่เพราะอะไรเหมนทีเราตั้งสติไว้ในเรื่องอื่นบหมทีเราเอาใจไปใส่ในเรื่องอื่นอันนี้มันก็เป็นไปได้เพราะว่ามันมีหลายมิติตอย่างครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบใ น, นพระสงฆ์องคอง์เจ้าอย่างเงี้ยนะเราจะเห็นว่าไอ้พอท่านแก่ตัวลงไอ้ท่านก็หลงหลง ล, งลืมๆืมแม่ไอ้บางทีกินแล้วบอกไม่ได้กินไอ้กินยาหรือยังเช้าหรือบ่ายอะไรเงี้ยเหมือนที่ท่านก็หลงหลงลงืลื ม, ลมไป ซึ่งในความหลงลืมตรงนี้มันไม่ใช่ว่าขาดสัมมาสติไงเพราะว่าสัมมาสติบางทีเราตั้งไว้อยู่กับลมหายใจหรือมีสติอยู่ในกายทําให้การทํางานในเรื่องอื่นๆเนี่ย ม, มันลืมไปไม่ได้เอาใจไปใส่ไว้ตรงนั้นอันนี้ไม่ถือว่าเราขาดสัมมาสตินะเพราะามันเป็นคนละมิติกันคนละเรื่องกันในประเด็นที่3ที่เรื่องของว่าบางคนเอ๊ะทำไมก็ยังทําผิดศีลทาอะไรไม่ดีบ้างอันนี้คือขาดสติแน่นอน คนที่ทำผิดศีลทำไม่ดีเช่นก่ออาชญากรรมหรือว่าเห็นภาพที่มันบาดตาบาดใจแล้วก็ทำความผิดไปเนี่ยมันคือคนที่รักษาศีลไม่ได้อันนี้คือสติแตกนะเพลสติไปทำาายไปเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยู่ที่อินทรีย์ของแต่ละคนว่ามีความสามารถในการปฏิบัติมากน้อยแค่ไหนอะนะก็อยู่ที่สถานการณ์สิ่งแวดล้อมโดยมีเพื่อนชั่วไหมมีเพื่อนดีหรือเปล่าลมันก็รือร้ายเหปัจจัยตรงนี้ สมมุติว่าเราเป็นคนตั้งใจจะรักษาศีลพอท่านพูดถึงเรื่องศีลแล้วมันมีเหตุการณ์ที่จำเป็นจำเป็นเลยเกิดในการตัดสินใจอย่างรวดเร็วว่าพูดจริงไม่ได้แต่ไอ้สิ่งที่พูดโกหกไปเนี่ยไม่ได้เสียหายนะคะอันนี้ก็ถือว่ามีสตินะคะโกหกทั้งท้งมีสติเลยคะ่ะท่านคะ <c oughs> จออธิบายยังไงในเรื่องของการรักษาศีลคะ่ะก็มีสติอยู่แต่ว่าทาไม่ได้ มีสติอยู่แต่ว่าทําไม่ได้อย่างกรณีที่วิธีคิดด้วยเหตุผลนะคะว่าพูดพูดตรงไม่ได้ค่ะอืมอย่างกรณีที่ว่าบางคนก็รู้อยู่อะว่าฉันฟุ้งซ่านอยู่แต่ว่ามันละไม่ได้อย่างเงี้ยนะก็รู้อยู่ว่าันนี้เป็นคําพูดอ่ะแต่ว่าฉันพูดไปแล้วแต่ว่าจงใจว่าโกหกอันนี้คือจงใจพูดเท็จอยู่แล้วนี่มันผิดแน่นอนแต่สติที่มีเนี่ยไม่ใช่สามารถสติก็เลยเป็นมิจฉาสติคิดว่าสิ่งที่ผิดมันถูกแต่ว่าเราไม่ต้องพูดก็ได้อ่ะเรื่องที่มันไม่จริง เราไม่ต้องพูดก็ได้เพราะว่าเวลาที่เราฝึกพูดคําไม่จริงเนี่ยนะคุณโยมติวนะเอมันเป็นความปกติมันเป็นการฝึกฝนทําความไม่ดีเนี่ยให้เป็นอุปนิสัยขึ้นมาอ๋อเจอเจอสถานการณ์นี้อีกฉันก็จะทำแพทเทิร์นเนี้ยเหมือนเดิมมันจะเป็นอุปนิสัยมันจะเป็นความเคยชินเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องฝืนไงค่ะประธานโทษนะคะแต่ที่ฉันในส่วนที่เป็นคําถามที่ได้กลับเรียนถามท่านไปเนี่ยเป็นคําถามสําหรับ คนที่มีความตั้งใจที่จะรักษาสีแล้วก็รักษามาตลอดแต่ไปเจอสถานการณ์มาสถานการณ์ที่ไม่สามารถที่จะดํารงความก็แล้วนะคะดํารงสีในข้อควปกติในข้อนี้อ่านะครับมันก็ผิดปกติเสี้ยวยาแดงแต่ไม่อยากทําเลยแล้วไม่ตั้งใจอย่างเนี้ยคะ่ะเอา่ามันผิดเสียหายมากไหมคะก็มีความ<ป>ด่างพร้อย เราเดจะใช้สัพท์กันว่ามีความด่างพร้อยในความปกติของเราคือเราทําอันนี้เป็นปกติเราพูดจริงเป็นปกติเรามีการไม่คาดสารเป็นปกติแต่ว่าพอมันมีจุดหนึ่งที่มันผิดปกติเนี่ยนี่คือผิดปกติแล้วนะผิดสีไงสีเรามีความด่างพร้อยไปพอรามีความด่างพร้อยแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความร้อนใจฉันทาผิดฉันทาผิดมันจะมีความร้อนใจเกิดขึ้นตรงนี้ค่ะคือผลตรงตรงอย่างที่ท่านพูดเนี่ยใช่แต่ว่ามันก็ทําให้ มีความรู้สึกสําหรับคนที่ระมัดระวังอย่างนี้เนี่ยนะคะก็อาจจะรู้สึกน่ะมันไม่น่าเลยนะอืแต่ถ้ากล่บมาพูดเรื่องสติก็เท่ากับว่าสติเขาดีถูกไหมคะเขายังระลึกได้ว่าสิ่งที่ทําไปนี้มันผิดพลาดใช่หรือลึกได้ใช่<ส>ทีนี้ปัญ ญ, ญาสนี่มันอยู่พิจิตรไหนกนคะเอะ <laughs> อโทษก็คือในสติในสมาสตินี่แหละแต <c oughs> ่ว่าเขายังระลึกได้ว่าเขาทําไม่ดีทีนี้ ไอ้เรื่องของการที่เราจะรักษาทางให้เราอยู่ในมรรคเนี่ยไม่ผิดศีลเนี่ยนะมันคือเรื่องของพละพล ะ, ะนี่หมายถึงกําลังในกำลังของจิตในการที่ฉันจะว่าอืมฉันจะไม่ผิดโอ้แต่ว่ากําลังไม่พอก็ผิดสักนิดนึงอย่างเงี้ยนะไอ้ความที่กําลังเนี่ยมันไม่พอนี่คือศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญาตรงนี้นะโอฉันศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้ามากเลยนะเอาต่อให้เป็นโสดาบันเลยมีความอย่างนงุ่มนไม่หวั่นไหวในพระบุตรพระธรรมพระสงฆ์เนี่ย แล้วก็ประกอบบ้าบางทีผิดศีลชนิดที่ว่าพลาดไปแต่อย่า ง, าง ก, กรณีนี้เป็นต้นเนี่ยคือคือพลาดไปทําผิดศีลเพราะฉะนั้นไอ้ความพลาดตรงนี้ไม่ได้ว่าทําบ่อยทําจนกระตั้งว่ามันจะไปตกนกได้เนี่ยคือจะไม่ทําอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้ามื่อมีความผิดพลาดตรงนี้อาจแสดงว่าความถึงว่าพลักของเราเนี่ยมันกําลังไม่พออยงเช่นเราอาจจะอาจจะมีสติอยูแ่แต่ว่าปัญญาเนี่ยมันหาทางเอาตัวรอดอยังไม่ได้ ถึงจุดที่ <Okay. S 1> ว่าเอจะออกตรงนี้ยังไงปั ญ, ญญายังไม่พอเช่นแทนที่เวลาเราจะพูดเลี่ยงไปเรื่องอื่นหรือว่าเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาพูดแทนแม้แต่มันต้องพูดเรื่องเนี้ยมันหลีกไม่ได้อย่างเงี้ยนะหาทาง <Okay. S 1> ออกไม่เจอเนี่ยก็แสดงว่ามันยังพลังมันยังอ่อนเยยังไม่สามารถที่จะทรงอยู่ในมรรคได้ค่ะ <c oughs> แต่ไม่เลยไปถึงเรื่องปัญญาใช่ไหมครับเพราะว่าวันทีก็อาจจะคิดไปได้ว่าแม้ปัญญาเรามันไม่ไหวพอที่จะทําอย่างไรที่จะ ทรงศีนเอาไว้ได้รักษาศีนเอาไว้ได้แต่ว่ามีวิธีการตอบด้วยค่ะใช่ตอนนี้มันก็จะไล่มาไงตั้งแต่ศรัทธาใช่ไหมพละห<ภ>้าเนี่ยก็จะเหมือนอินทรีห้านะแต่พละห้าเนี่ย<ภ>คือลักษณะของการที่เราจะทรงอยู่ในมากได้เริ่มมาจากการที่เรามีศรัทธาคุณมีศรัทธาแล้วก็จะมีการทำจริงแน่แนแนจรงิงการทําจริงแน่จริงเนี่ยคือวิริยะแล้วพอมีการทำจริงแน่แนจริงแล้วอ๋อฉันทําจริงแน่จริงในเรื่องของศีนใช่ไหมฉันก็ตั้งสติขึ้นมา แต่พอตั้งสติขึ้นมาแล้วจิตของเรามันจะไม่ร้อนมันจะสบาย น, นี่จะเป็นสมาธิ น, นี่ข้อที่4แต่พอจิตสบายเป็นสมาธิแล้วอั น, นีปัญญาเห็นการเกิดขึ้นกันตั้งอยู่ไม่ได้จิตมันก็ค่อยเย็นลงเบาลงทีนี้พอมันมีเครื่องทดสอบเนี่ยเครื่องทดสอบทําให้อยู่ในสถานการณ์ที่บางทีบีบคั้นทําให้เราอาจจะต้องคิดว่าเราจะผิดศีลตรงปัญญาตรงข้อที่5้านี่แหละที่ว่ามันยังไม่ไวพอที่จะหาทางออกที่มันจำยังไงถึงจะไม่ผิดศีลนะ ตรงนี้มันก็ต้องมาด้วยก็เนีย่ยแต่อย่างไรก็ยังถือว่าอยู่ในมาร์กถูกไหมคะแล้วก็ยังได้ใช้พละห้าเพียงแต่ว่าพละห้าไม่สมบูรณ์ไม่งอกงาไม่เจริญพออคือถ้าผิดสีนี่ถ้าผิดสีนี่ไม่ได้อยู่ในมาระะ์กถ้าผิดสีไม่ได้อยู่ในมาร์กคือไปออกนอกมาร์กแต่ตัวที่จะควบคุมให้ใจของเราเดินอยู่ในมาร์กได้เนี่ยคือพละห้าทีนี้สมมุติว่าเราไปถูกดันไปจนชิดขอบอะ แล้วโอ้ยหลุดขอบไปนิดนึงเนี่ยไอ้ตรงที่หลุดขอบไปเนี่ยตรงที่เราจะพยายามให้พยุงอยู่ในขอบของทางได้เนี่ยคือพละหา้าแต่พอหลุดออกขอ บ, ค, บคือหลุดออกจะมากแตกไปเนี่ยนี่คือพละห้ามันมันเป๋ไปนิดนึงมันไม่สามารถทรงตัวได้ก็ต้องไปทําให้พละของเรานะ่ยเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นไว้อย่างนั้นเถอะใช่สตาร์ในกรณีนี้อ่าศรัทธามีน่นะคะใช่สติก็ต้องฝึกปัญญาก็ต้องรู้ทางออกให้มันรัดกุม ค่ะค่ ะ, นะคะนี่ค่ะท่านฟังคะรู้สึกสนุกบ้างไหมคะเพราะดิฉันเชื่อว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของคนอื่นเลยเกี่ยวกับเรื่องของตัวเราแท้ๆ แ, แล้วก็ไม่มีตรงไหนเลยที่ไม่สามารถนําเอาสิ่งที่พระพุโทโธงสอนมาใช้ได้ในทุกขั้นตอนของชีวิตของเราไม่เชื่อก็ลองไปสังเกตดูนะคะขอมาที่คําถามของท่านผู้ฟังที่ชื่อว่าคุณปรีดาวัน นะคะท่านก็บอกว่ากราบนวมักการพระอาจารย์ขอถามคําของพระพุทธเจ้าที่กล่าวว่าเราขอกล่าวย้ำกับเธอว่าเธอทั้งหลายอย่าเป็นบุรุษพวกสุดท้ายของเราเลยหมายความว่าอย่างไรคะโอเคคานี้จะปรากฏอยู่ในหลายพระสูตรด้วยกันถ้าทีอาจารมาอ่านเจอมันก็จะสองสามพระสูตรนะครับเนี้ยบรารอบเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าเล่ามาก่อนว่าตัวพระองค์เนี่ย เป็นกษัตริย์ในชาติก่อนๆแล้วก็มีข้อปฏิบัติที่ให้ทําสืบต่อกันมาสืบต่อกันมาแล้วข้อปฏิบัตินั้นเนี่ยก็คือว่าพอเป็นกษัตริย์ใช่ไหมครองความเป็นใหญ่ยิ่งเสรต่แล้วพอให้ช่างกระระบบคืคอช่างตัดผมเนี่ยที่ตัดผมอยู่เป็นประจําทุเดือนทุเดือนเนี่ยถ้าเห็นผมงอกให้บอกว่านานมากผ่านมาหลายปีก็เจอผมหงอกก็เลยบอกกับพระราชาพระราชาก็เลยบอกว่าอ่ ะ, อะ เทวทูตปรากฏึ้นแล้วเทวทูตนี้คือความแก่นะในที่นี้คือมาในรูปของผมหงอกความแก่ปรากฏขึ้นแล้วทำไงล่ะโอ้ยงั้นต้องหยุดที่จะบริโภคกามนะฉันจะสละราชสมบัติแล้วก็ออกบวชซึ่งใ น, ในตรงนี้จะมีความสวยงามของข้อปฏิบัติตรงนี้นะคือถ้าเราจะเปรียบเทียบระหว่างว่าพระราชาสละราชาสมบัติกับพระราชาสรนตะคตเนี่ยสละราชาสมบัติเนี่ยก็ยังปราบดากระสัตริย์ใหม่ขึ้นแทนได้ แต่ถ้าสวรรค์เนี่ยแหมมันจะต้องจัดงานศพก่อนกว่าอะไรมันจะเรียบร้อยมันก็จะเป็นคนบรรยากาศกันคุณยมตีนึงหรอนะเพราะเพราะฉะนั้นในการที่สลาลาชสมบัติตรงนั้นอาจจะมีงานมงคลอยู่ด้วยกัน5งางา น, น ง, งานแรกก็คืองานที่กษัตริย์องค์เดิมเนี่ยบวช ง, งานที่2ก็คืองานที่แต่งตั้งกษัตริย์องค์ใหม่ห ง, งานที่3นี่ก็คือลูกของกษัตริย์องค์ใหม่เนี่ยก็ได้เป็นม ก, กุฎราชกุมารแทนอใ น, นงานที่ส งานที่4ี่นี่ก็คืองานที่ได้ถวายอาหารกับพระใหม่ก็คือกษัตริย์องค์เก่าที่ออกบวชแล้วงานที่ห้านี่ก็คือตั้งเสนาบดีมันก็คือเอาคนที่เป็นมกุฎราชกุมาร น, นี่แหละตั้งขึ้นเป็นเสนาบดีแทนมันจะมีงานมงคลอยู่ห้างงานด้วยกันจะมีแต่เรื่องมงคลล่ะทีนี้พอกษัตริย์องค์นี้เห็นเทวทูตแล้วออกบวชแล้วมีงานมงคลห้าอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ไปอยู่ป่าจาริญเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเสร็จแล้วก็ไปเกิดเป็น สัตว์ในพรหมโลกนี่คือข้อปฏิบัติที่เรียกว่ากัลายาณวัตรอันนี้พระพุทธเจ้าเล่าให้ฟังนะข้อปฏิบัตินี้ก็ให้ลูกเนี่ยทำสืบต่อกันมาสืบต่อกันมาสืบต่อกันมาจนถึงสมัยกษัตริย์องค์หนึ่งกษัตริย์องค์หนึ่งปรากฏว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยที่เป็นคนเริ่มต้นข้อปฏิบัติที่ชื่อกัลายาณวัตรอันเนี้ยคนแรกเนี่ยนะก็ไปเกิดเป็นสัตว์อยู่ในพรหมโลกใช่ไหมรู้แล้วว่าคนเนี้ยข้อปฏิบัตินี้มันจะมาสุดท้ายตรงนี้ก็เลยลงมาเกิดก่อน ล ง, นนะลงมาเกิดก่อนคนสุดท้ายของนั้นนะลงมาเกิดก่อนคนสุดท้ายเพื่อที่ว่าอย่างน้อยฉันจะได้เป็นคนทำแล้วก็ให้ลูกของฉันเนี่ยแต่ลูกของฉันมันจะไม่ทำแต่ลูกของฉันมันจะ <S 1> <S 1> พอเห็นผมหงอกแล้วมันจะไม่ไ ม, ไม้ออกบวชฉันขอทำตรงนี้แล้วก็เลยเอาเรื่องนี้มาสอนภิกษุบอกว่านี่นะแต่ว่าข้อปฏิบัติที่ชื่อว่ากัลยาณวัตรในการเก่านั้นเนี่ยทำให้ได้อย่างมากก็แค่พรมแต่ข้อปฏิบัติที่ชื่อว่ากัลยาณวัตรในการนี้เนี่ย ทําได้ถึงนิพพานเลยแล้วก็สรุปจบตรงนี้ตามคําตามของคุณบริดาวันว่าพวกเธอทั้งหลายอย่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายของเราเลยนศะัพท์ที่พระพุทธเจ้าใช้ก็คืออันติมะบุรุษคือบุรุษคนสุดท้ายสุดท้ายเนี่ยคำว่าอันติเนี่ยนะหมายถึงสุดส่วนสุดศัพท์นะคํานี้จะอยู่ในบทสวดที่เราอาจจะสวดกันได้เช่นอาการ32ที่ว่าไส้ใหญ่เนี่ยนะอันตังเนี่ยแปลว่าไส้ใหญ่ไส้ใหญ่คือลําไส้สุด อาหารที่เรากินลงไปเนี่ยมันจะไปสุดที่ลำไส้สุดก็เรียกว่าลำไส้ใหญ่ออกไปกว่านั้นก็เป็นข้างนอกตัวไปแล้วเนี่มันจะไปสุดที่ตรงนี้ก็จึงเรียกว่าลำไส้สุดคือตันอยู่ที่นี่ไม่ออกไม่มีไปกว่านี้เนีท่ทีนี้คําว่าสุดเนี่ยก็คือหมายความว่าไม่มีต่อไปจากนี้นีหมายความว่าคนที่ทําความดีอย่างเงี้ย เ, เราเห็นคนนั้นทําความดีเห็นคนนี้ทำความดีเออเราทําความดีแต่เราไม่ทําต่อหรอกสุดที่ตัวเราเช่นว่าเราเห็นคนนั้นเขามีเมตตา เขาเอาเื้อเฟื้อเกื้อกูลทําจิตอาสาฉันก็ไปช่วยด้วยนิดๆหน่อยๆแล้วฉันก็ไม่ทําต่อแตการที่ไม่ทําต่อความดีต่อเนี่ยคือความดีเนี่ยมันสุดที่ตัวเราเราจะเรียกว่าเป็นอันติมารุษหรือว่าเช่นว่าการไม่ด่ากันไม่ว่ากันอย่างเงี้ยการที่ไม่พูดส่อเสียดไม่พูดยุยงให้เขาแตกกันใช่ไหม เราก็เห็นคนนั้นทําคนนี้ทําแต่เราไม่ทําเราก็ยังพูดยุยงด่ า, นนาดคนนั้นว่าคนนี้คิดว่าตัวเองดีคนอื่นแย่อันนี้นี่นี่เป็นคนสุดท้ายเป็นอันติมาบุรุษคือคนที่ทําความดีคือเราคิดว่าเราทําอ่ะแต่ว่าเราไม่ได้ทําความดีนั้นต่อในการที่เราไม่ได้ทําความดีต่อความดีมันไปต่อไม่ได้มันจะตันที่ตรงนี้นการที่เราทําความดีมาอยู่ละแล้วเราไม่ทําต่อแต่ตรงนี้คือบุรุษคนสุดท้ายอย่าคืออันติมาบุรุษเพราะฉะนั้นถ้าเราทําความดี ติดติดดับดับทำทำหยุดหยุดเนี่ยตั้งสติบ้างเดี๋ยวก็เผลอนี่เนี่ยคือมันคนจะตายอยู่ตรงนี้เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นไอ้คนที่แบบเราฝึกสติมากเงี้ยบันทีก็เผลอสติไปบางทีงก็ลืมสติไ ป, <_ t ix> ปไอ้ตรงที่เราลืมไปเนี่ยมันสุดที่เราละไอ้ตรงที่เราจําไม่ได้ว่าลมหายใจของเราอยู่ไหนมันสุดที่เราล่ะแต่ถ้าเราย <_ t ix> ังรู้ลมหายใจอยู่รูร้ลมหายใจอยู่อันนี้ก็เราสืบต่อสืบต่อสืบ ต, ต่อมันไม่สุดมันไม่จบอ้า เราเลิกได้ว่าโอ้ยใช่ใช่ฉันลืมลมหายใจไปแล้วฉันก็มาต่ออีกมาต่ออีกอันนี้คือมันยังไม่สุดเพราะฉะนั้นในเรื่องความดีคือมักแตทั้งหมดเลยนะคุณโยมติวนะไล่มาตั้งแต่สัมมาทิฏฐิหรือสัมมาสังกปอะอะสัมมาสังกปะอันที่2นเนี่ยเช่นเราคิดกับคนอื่นอย่างเงี้ยเห็นคนนั้นแหมมันจีบเห็นสิ่งนั้นแหมมันอยากนี่เลยมันความคิดทางพยาบัติความคิดทางกายมันโผล่บ๊อบบ๊อบบอมาละแสดงว่าคุณไม่ได้ทําสัมมาสังกปะเนี่ย มันติดติดดำดหยุดหยุดทำทำไอเราอาจจะเป็นคนสุดท้ายก็ได้นะเพราะฉะนั้นเราอย่าหยุดในการที่จะทำในการที่ไม่หยุดในการที่จะทำเนี่ยก็คือมีความกล้ามีการทำจริงแน่จริงอยู่เรื่อยๆฝึกในการที่จะทำอยู่เรื่อยๆการทำอยู่เรื่อยๆจนเป็นอุปนิสัยเนี่ยคือมีวิริยะเป็นอุปนิสยัยสติมันก็จะเกิดขึ้นสมาธิมันก็จะเกิดตามมาคนที่มีสมาธิแล้วก็จะเห็นตามที่เป็นจริง ไอการปฏิบัติธรรมะพอเราเห็นตามที่เป็นจริงแล้วเข้าใจว่าโอ้ยธรรมะที่เราเคยฟังมารู้มาเนี่ยแหมมันเป็นอย่างนี้เหมือนจะเกิดมีศรัทธามีศรัทธาก็จะทำจริงแน่วแน่จริงมีการทำจริงแน่วแน่จริงอาจจะลืมบ้างเผลอบ้างแต่ก็ยังฝืนทำฝึกทำสติมันก็ตั้งขึ้นมามีสติตั้งขึ้นมาคนที่มีสัมมาสติก็จะทำให้เกิดสัมมาสมาธิได้จิตเป็นอารมณ์ันเดียวแล้วเข้าใจธรรมะในแง่งบุมต่างๆ มีปัญญาปล่อยวางสิ่งที่เป็นตันหาจิตเปิดขึ้นมาเข้าใจธรรมะได้โอ้ไอ้ที่เราฟังมาได้ยินมาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แล้วก็จะมีความศรัทธาี่มีความศรัทธาก็จะทําจริงแน่วแน่จริงมันก็จะวนหลูไปอย่างเงี้ยนีมีศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาเห็นตามจริงกับมีศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาแนี่พระเราก็มีกําลังมากขึ้นเนี่พอพระเรามีกําลังมากขึ้นเราเดินอยู่ตามมั่งได้ตลอดเลยมีภาษาอะไรมากระทบเราไม่เปยออกเนี่มันก็จะวนหลูไปวนหลูไป อันนี้เราก็สืบต่อเนื่องความดีไปสืบต่อเนื่องความดีไปเราจะไม่เป็นคนสุดท้ายอันนี้คือประเด็นตรงนี้นะค่ะงั้นก็เท่ากับว่าเมื่อฟังเฉพาะคำพูดหรือว่าประโยคนี้ที่ว่าจงอย่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายของเราเลยเนี่ยก็คิดว่าจะเป็นเรื่องของการที่ไม่ใช่ของการกระทำที่สืบต่อคือเหมือนกับว่าก็ให้เข้าถึงธรรมะของพระศาสดา แต่นี่หมายความว่ารู้จักแล้วต้องออกบังปฏิบัติด้วยใช่เพื่อให้การปฏิบัติของเราเป็นการสื่อทอดใช่ไหมคะถูกต้องคือคือแทาว่าเราอ่านหนังสือแล้วเราคิดว่าเออฉันไม่เป็นบุตรกุศลตายหรอกเพราะฉันอ่านหนังสือแล้วฉันจําบุรบุตได้มันไม่ใช่ใชมันไม่ใช่เพราะว่าอตัวบทใครๆก็ทราบคอมพิวเตอร์ก็จําได้แล้วก็มันก็ทราบกันทุกคนอะ่ะแต่ว่าเอในใจเราละ่ะ ม, มีมีธรรมะไหมอันนี้คือเรื่องสำคัญ Do not be the last man ดิฉันเห็นคนใส่เสื้อยืดแบบนี้อยู่เยอะแยะเลยก็ต้องดูดูที่จิตใจเขาด้วยว่าเขาสืบต่อธรรมะไม้ในใจเขานั้นแล้วก็เหมือนกับจะเชิญชวนคนอื่นด้วยว่าถ้าเป็นไปได้พวกเราก็มาปฏิบัติตามคำสอนของพระศาสดากันเถอะใช่แล้วก็การปฏิบัติเนี้ยเราจะจะเห็นได้ว่ามันเป็นเป็นวนลูปนะคุณโยมถึงมันจะวนลูปซึ่งการวนลูปเนี้ย เป็นลักษณะเขาเรียกว่าเหมือนกับเกลียวของน็อตนะนะที่เราขันเข้าไปมันก็จะยิ่งแน่นเข้าแน่นเข้าสูงขึ้นสูงขึ้นอย่างเงี้ยเราขันไปขันไปเราทําไปทําไปมันก็จะค่อยลึกซึ้งขึ้นไปจิตใจก็ดีขึ้นไปก็เป็นไปแบบไม่สุดท้ายอะ่ะก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปจนถึงจุดที่เรียกว่าสูงที่สุดค่ะแต่บางคนก็ทํามานา น, านๆเขายัางบอกอเอ้มันเหมือนกับ มันอยู่เดิมๆยังไงบอกไม่ถูกอ่าก็ตรงนี้แหละที่ว่าตันไะงเพราะฉะนั้นคําว่าตันนี่คือตะกี้ที่พูดถึงนี่คือนัยแรกนะในนยัยยะที่สองเนี่ยที่พวกที่ว่าปฏิบัติแล้วมันตันเนี่ยนะก็คือว่าไปติดที่สุดโต่งสองข้างแตนะ่สุดโต่งเนี่ยคือทางตันก็ใช้ศัพท์เดียวกันนี่แหละเดเวเมขเปกเวอั way, make, make, make, ar, นตาคําว่าอันตานี่คือตันคือสุดเหมือนกันส่วนสุด ส, ดสองข้างเพราะฉะนั้นเราไปสุดด้านนั้นหรือเราไปสุดด้านนี้ไนะเช่น มีเรื่องมากระทบก็ไม่พอใจอ้าวไม่พอใจนี่คุณตันตึกเลยนะเพราะทำไมถึงตันตึกเพราะว่ามันตันด้วยราคาโทสะโมฮะมันก็ไม่สามารถที่จะเดินมาร์กได้เพราะมันตันตึกตรงนั้นเนี่ยเป็นคนสุดท้ายมันตันอ้ามีเรื่องที่ชอบใจก็ลุ่มหลงเพลินไอ้ลมหายใจหาปไปอย่างไรก็ก็ไม่รู้ล่ะลืมไปแล้วเนี่ยเพลินไปแล้วเนี่ยอันนี้ก็ตันตึกละตันอีกด้านหนึ่งอันนี้เป็นการเท่กันแรกนะคุณหยบติ๋วตะเบเมพี่คุยอันตานี่ ก็คือหมายความว่าส่วนสุดสองข้างเนี่ยคือต่างตันเพราะฉะนั้นอย่าเป็นคนตันอย่าเป็นคนสุดท้ายเนี่นคือไปตันสองข้างเนี่ยมันมันไม่ดีก็ต้องไปต่อไปต่อเนี่ยจะไม่ตันสองข้างนั้นได้นีนทั้งชอบและไม่ชอบนี่ยคือพร ะ, พ, ระพุทธเจ้าเวลาแสดงธรรมเนี่ยก็ไวด้ด้านสุดๆดเลยสุดๆดของความไม่ชอบก็ทรมานตัวเองนีสุดๆของความชอบก็จุ่มด้วยกามเอาแค่ว่าเรานั่งสมาธิปุ๊บเนี่ย เรามีความสุขในใจแล้วคุณเกิดกำหนัดพัวเนี่ยคุณตันตึกเลยบางคนไปสมัครปฏิบัติธรรมมาปฏิบัติธรรมปีละสองเที่ยว3เที่ยวเออมาถึงวัดก็ดีหรอแหมนั่งสมาธิสบายใจแฮปปี้เลยแต่กลับบ้านมันไม่ได้อย่างนั้นนะฮะมันไม่ได้สุขเหมือนอยู่ที่วัดอ่ะกลับไปก็ด่าคนนั้นว่าคนนี้ทําไมเป็นอย่างนั้นเปิดเพลงอย่างนี้เสียงดังไม่ได้เ อ, อนี่คือมันมันตันนะแทนที่ว่ามันจะไปได้แต่ว่ามันมาตันตึกตรงจุดที่ว่าติดในสุขที่เกิดจากสมาธิอย่างนี้เป็นต้น เดีพราะนั้นเราอย่าเป็นคนสุดท้ายอย่าตันตรงนี้ให้ไปต่ออย่าเอาตรงนั้นอย่าเอาตรงที่มามันจะเป็นขันห้าเนี่ยสุขเวทนาเกาะขันห้าทุกเวทนาเกาะขันห้าอย่าไปเอาตรงนั้นแต่ให้เอามัดแปดอย่างเี้นะค่ ะ, นะค ะ, ะจะเป็นอย่างนี้ไหมคะเหมือนกับเอก็คิดว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติมากมาก ม, ามาแต่เมื่อถึงจุดจุดหนึ่งมีความโกรธแล้วก็ระ ง, งับไม่ได้ก็ถือว่าไม่ได้นําเอา การปฏิบัติมาใช้ด้วยหรือเปล่าคะ่ะใช่ตรงโรงงานอยนไ่ได้ถืว่าตันตึกไหยคะใช่ถูกต้องนี่คือตันตึกตรงจุดที่นี้ว่าเป็นท ร, รมานตัวเองก็คือห ม, มายความว่าเป็นความโกรธค่ะเอ่อกันถ้าจะสรุปก็คือว่าหากเป็นผู้ฝึกปฏิบัติแล้วผลของการปฏิบัตินั้นควรจะปรากฏในการดําเนินชีวิตของเราว่ามีความเปลี่ยนแปลงอยู่ในมาร์กแที่อยู่ในมาร์กแ จะไม่หลุ ด, ดออกอจา ก, กมักแปดเด็ดขาดเลยเช่นอีกเช่นนะคะให้จัดๆสมมติว่าเกิดไปอยู่ในที่ที่ห้องพักที่เราไม่คุ้นเคยสักหนึ่งห้องอเกิดแอร์คอนดิชันเนี่ยเราเสียสตางค่าเช่าแล้วใช่ไหมคะมวิดีก็ดังดังลั่นเป็นพักๆหนึ่งชั่วโมงดังหนึ่งครั้งหนึ่งชั่วโมงดังหนึ่งครั้งตัวกตุใจพลอยให้นอนไม่หลับ แก้ก็แล้วไม่หายไหมคะแต่จําเป็นจะต้องอยู่ที่นั่นหลายวันสุดท้ายแก้ใตัวเราเองก็คือเอาสติไปไว้ที่อื่น อ, อย่างนี้ถือว่านําออกมาใช้หรือเปล่าคะคือคืออย่างแรกก่อนเขาจะไม่ได้ไปคิดไม่ดีกับคนอื่นเดี๋ยวจะไม่ได้คิดไม่ดีว่าทําไมแก่ทาอย่างงี้อะไรเงี้ยไอ้ตวเนี้นเป็นความคิดในทางปริาบาัติเป็นมิจฉาสังปะจะไม่เกิดขึ้นค่ะนั่นคือเขาจะคุมได้ ในกลุมได้เพราะอะไรเพราะว่าสติมันตั้งอยู่ก็จะไปโฟกัสจุดที่ว่ า, าจะแก้ปัญหายังไงแต่ไม่ได้จะไปโฟกัสที่ว่าจะทํา้ายเขายังไงเนี่ยนะเพราะว่าจิตใจก็มีสติตั้งไว้ถ้าเปลี่ยนแปลงคือพอจิตมีสติแล้วมีสมาธิเนี่ยมันจะปัญญามันจะเกิดตรงที่ว่าเอ๊จะหาทางแก้ได้อย่างไรที่มันเหมาะสมจะเปลี่ยนห้องหรือจะทำอะไรมันก็จะมีวิธีการที่ถ้าบอว่าปัญญาสมาธิมันเกิดขึ้นมีแล้วนะ อ่ะจึงเป็นเรื่องที่เราสามารถนํามาใช้ในชีวิตประจำวันเพราะว่าบางทีที่ฉันก็นั่งฟังวิทยุนะคะคนบางคนก็มาปรึกษาทนายความอืมบอกว่ามีปัญหาเพื่อนบ้านติดกันเนี่ยเขาเผากระดาษเงินกระดาษทองจงใจจะให้เราเนี่ยสูดควันพิษ <c oughs> อ, อันนี้ที่ฉันก็ได้ยินคําพูดปลอบเพลมของทนายทธนนอ์ที่ว่าอย่าไปมีเรื่องกันเลยคุยกันดีๆ ด, ด, ดีกว่านะบอกเขาหรือยัง รือสุดท้ายทนายก็บอกก็ซื้อพัดลมสิคือทนายไม่ได้แน่ใจไปฟ้องกันเลยนะคะเท่าที่ฟังเอ๊ะเข้าใจว่าเรื่องพวกนี้ถ้าหากว่าเป็นพูดเอามาเอามาเป็นตัวอย่างของการของการนำมาใช้ของคนที่ฝึกปฏิบัติไดใ้ใช่ใช่นะนะคะสุดท้ายก็คือจะต้องบอกว่าเหมือนกับคำถามของท่านฟังของเราที่ได้ถามมานี่แหละนะคะว่าเราทุกคน เมื่อมีโอกาสเข้าถึงกับคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็จงทำอย่าที่พระพุทธองค์ได้กล่าวย้ําใช่ไหมคะว่าเธอทั้งหลายอยากเป็นบุตรพวกสุดท้ายของเราเลยเยีน่นใช่ค่ะนมัส ก, การของพระคุณท่านสําหรับวันนี้นะคะเยีอนนมันส ก, การค่ะท่านฝั่งข้างละนั่นก็คือพระมหาภับุตรภิปุร โ, โนนะคะวัาตาดอนไฮโซอุดรทานีค่ะวันนี้เราใช้เวลากันมาจนจบแล้วนะคะก็ติดตามรับฟังรายการสัมมนาสนสทนากันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้ทุทตวสวัสดีค่ะ